ลูกกบตัวหนึ่งมันพลัดหลงกับแม่ในวันที่ทั้งสองพากันเที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินในหนองน้ำความที่ลูกกบมีนิสัยซุกซนชอบดื้อรันมันชอบกระโดดเที่ยวเล่นตามใจโดยไม่เหลียวแลเสียงแม่ที่ร้องเรียกอยู่ข้างหลงัง พอนึกก ร, รําคาญมันก็กระโดดหนีไปไกลาตามใจตัวเองจนวันนี้ต้องกลายเป็นลูกกบกาพร้าน่าสงสารวันหนึง่งลูกกบคิดถึงแม่มากเกิดสำนึกในพระคุณแม่ ที่คอยเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ทนุถนอมมันนึกถึงภาพที่แม่เอาอาหารมาป้อนหาที่นอนให้คอยสอนคอยห้ามด้วยความห่วงใยพลันก็นึกโกรธตัวเองและอยากเจอแม่อีกสักครั้งเพื่อได้มีโอกาสแก้ตัว มันจึงกระโดดไปไกลแสนไกลเพื่อตามหาความรักแท้นั่นโดยไม่รู้จักเน็ตหนื่อยมันกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปก็คิดไปความเสียดาย ความเศร้าหมองความโกรธความสงสัยความหวาดกลัวความหดหู่ต่างประดังประเดกเข้ามาเต็มหัวอกจนกระทั่งวันที่มันเติบโตขึ้นเป็นกบหนุ่มก็ยังท่องเที่ยวตามหาแม่ไปอย่างไม่มีจุดหมาย วันหนึ่งมันไปเจอกล า, าเปล่างายทิ้งอยู่มันคิดว่าคงจะสงบจิตสงบใจตัวเองได้สักพักหากได้อยู่ภายใต้กล า, าใบนั้นว่าแล้วจึงรีบกระโดดลงไปในกล า, าแล้วคลิกกล า, ามาครอบตัวเองไว้กบหนุ่ม รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยอยู่ได้ไม่นานมันก็สร้างความคิดขึ้นอีกมากมายภายใต้กลาแคบๆบใบนั้นจิตใจมันปราศจากความสงบเสียแล้วค่ะมันเริ่มกระสับกระส่ายและอึดอัดเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของมันตอนนี้ก็คือทำอย่างไร ถึงจะเอาตัวเองออกจากกลาได้กลานั้นทั้งหนักภายในก็ช่างมืดและเหงาเหลือเกินเจ้ากบทั้งหิวร้อนและหวาดกลัวนึกย้อนเจ็บใจตัวเองขึ้นมาอีกระลอกในความเคร้าครั้งที่สองว่าแล้วก็อยากทำร้ายตัวเอง ดังที่เคยทำต่อหน้าแม่ตอนเล็กๆพลันเสียงคำสอนของแม่ก็กล้องขึ้นมาในใจลูกรักเอ๋ยอย่าปล่อยตัวเองจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเลยลุกขึ้นมาสู้สิแม่่ะไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดชีวิตลูกหรอกนะวันหนึ่ง เราก็ต้องจากกันแต่จำไว้นะลูกนะคำสอนของแม่จะยังอยู่กับลูกตลอดไปน้ำตากบหนุ่มไหลพรากรากเสียงเรียกของแม่มาช่วยเตือนสติมันแท้จึงหยุดความคิดที่จะทำร้ายตัวเองแล้วเริ่มตั้งสติใหม่ ใช้ปัญญาอันน้อยนิกคิดหาทางออกดีกว่ามันระลึก ข, ขึ้นทันใดว่าโอกาสที่จะแก้ตัวเป็นลูกที่ดีนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอเจอหน้าแม่ก็ได้ทันทีที่หยุดภูดไฟมันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว เหมือนที่แม่ชอบสอนให้ทําเวลารู้สึกโกรธสักพักกบหนุ่มก็กระโดดไปข้างหนา้าพร้อมกับกะลาไม่นานนะักกะลาก็พลิกหงายมันหลุดออกมาได้ในที่สุดค่ะ น, น, น, นิทานจบลงแล้วจ้ะ แม่คงไม่ต้องแต่งต่อนะว่ากบหนุ่มจะได้เจอแม่มันหรือไม่เพราะว่าไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วจำไว้นะลูกนะคนที่ทำผิดพลาดไปแล้วรู้จักสำนึกตนก็สมควรได้รับการให้อภัยแต่ลูกต้องรีบแก้ไขตัวเองทันทีอย่ามัวรีรอหรือว่าเที่ยวหาเหตุผล คนโง่นั้นเสียเวลาไปกับความคิดมากมายโดยที่ไม่เคยลงมือกระทำเลยส่วนคนมีสติปัญญายอมแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเสมอลูกแม่เมื่ อ, อยังเล็กจงอย่าเป็นเหมือนกบน้อยและความคิดของเจ้าก็อย่าให้คับแคบเหมือนอยู่ในกระลา